ก่อนกำลังคองทุกคนอนักเรียนช่วงนี้ปิดเทอมหรอเปล่าปิดเทอมหยุดไม่นานก็เปิดเทอมใช่ไหมชอบเรียนหนังสือไหมอชอบเเคยถามเคยไหมว่าเรียนไปทำไมไม่เคย อ, ะอ่ะตื่นเช้าทุกวันนี่เราต้องไปโรงเรียนนะถ้าเป็นจันทร์ทุนสูลองถามหน่อยว่าเราเรียนไปทำไมน ะ, ะเรียนเพราะว่าพ่อแม่สั่ง หรือเพราะว่ากลัวครูตีใช่ป่ะลองถามเลยกนะว่าเราเรียนไปทําไมนะเราเรียนเพื่อเอาวิชาวความรู้ใช่ไหมเอาวิชาวความรู้ไปทําไมสมัยนี้ก็ใครตอบว่าเอาไปทํามาหากินเอาไปเลี้ยงชีพใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ทํางานไม่ได้ใช่ไหมสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กๆเขาบอกว่าเรียนหนังสือนะ ถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะให้ไปเลี้ยงนัวชเลียนควายนะหรือถ้าไม่มีความรู้ก็มีอาชีพเดียวคือเลี้ยงนัวชเลียนควายเป็นเด็กเลี้ยงควายนะมันมีความรู้นะเพื่อเพราะว่าไม่อยากต้องตั้งใจเรียนเพราะไม่อยากเป็นเด็กเลี้ยงควายนะเราจะได้อมีอาชีพการงานถามว่ามีอาชีพการงานจะทําไมเพืได้มีเงินไง ใช่ไหมเอาคนที่ถามเงินเรียนนั่งเอาเงินไปทําอะไรฮะเอาเงินไปทําอะไรฮซื้อปัจจัยสี่แค่นั้นเหรอไม่สนใจไอโฟนแท็บเล็ตเหรอฮ ะ, อะเครื่องเก่าแซง่ามีใช่ไหมอ่านั่นแหละแซงไม่ใช่ปจนะัจจัยสี่แล้วเอาเงินไปทําอะไรนะเอาเงินไปซื้อปัจจัยสี่เอาเงินไปออาจจะ ถ้าโตขึ้นอาจจะซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์มือถือต่อไปก็ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเลยถามตัวเองไหมทั้งหแล้วลทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสุขนะเพื่อความสุขคนเราเนี่ยที่ทำอะไรมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความสุขนะพ่อแม่เลี้ยงเราพยายามสอนเรานะ ก็หวังความหวางให้เรามีความสุขแต่สิ่งที่พ่อแม่ทำํำหลายอย่างก็เพื่อความสุขของตัวเองด้วยนะแต่ว่าความสุขนี่มันมันต้องใช้เงินเท่านั้นหรือความสุขมันต้องมีวัตถุถึงจะมีความสุขเลยนะคิดว่า ต้อมีวัตถุต้องมีเงินถึงจะมีความสุขนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขมีความทุกข์หรือเปล่าคนเรานี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยที่ทั้งหมดที่ทําเนี่ยก็เพื่อความสุขและเพื่อหนีความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยทําเพื่อแสวงหาความสุขและเพื่อหนีความทุกข์ที่มีพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยก็เพราะว่า เราเนี่ยต้องการพ้นทุกข์นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเคยเคยตรัสว่าเนี่ยเพราะว่าโลกนี้มันมีทุกข์พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ต้องการหนีทุกข์ต้องการพ้นทุกข์แล้วก็ก็เลยทําความเปลี่ยนจนพ้นทุกข์เราเราก็ต้องการพ้นทุกข์เหมือนกันเราต้องการดนีจากความทุกข์ใช่ไหม แต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่พระเจ้าทำนะสิ่งที่เราทําก็คือเออพยายามที่จะเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีๆจะได้มีวิชาวความรู้มีวิชาวความ ร, มาววามรู้ได้มีอาชีพดีอาชีพดีก็มีเงินเดือนดีมีเงินเดือนดีก็เราก็เชื่อว่าจะทําให้เรามีความสุขพ้นทุกข์ได้อันนี้คนละทางกับพระพุทธเจ้าเลยนะแต่มันไม่สําคัญนะสำคัญก็คือว่าในเมื่อเราต้องการ มันตัวเราทุกคนเนี่ยรักสุดเกลียดทุกเราต้องการหนีทุกนเนี่ยแล้วท่านไงถึงจะหนีทุกไดนะ้หลายคนจะนึกว่าขอให้นะไม่มีความอดอยากไม่มีความมีวุ้ยโหยขอให้คนที่อยู่รอบตัวเราเป็นคนดีมีน้ําใจพูดจาไพเราะนะถ้ามีแฟนก็ขอให้แฟนเป็นคนน่ารักนะถ้ามีคู่ครองมีภรรยาสามีก็ขอให้เขาเป็นคนที่ เพื่อเฟือเกื้อกูลเป็นคนที่เอาใจเราดูใจเรานะพูดจากไพเราะถ้าเป็นเจ้านายก็ขอเป็นเจ้านายที่เป็นธรรมนะหรือว่ามีความเมตตากับเรารวมทั้งมีดินฟ้าอากาศที่สบายตลอดปีไม่มีคําว่าแดดออกน้ําท่วมแต่เป็นไปได้ไหมยังก็ต้องเจอ อากาศดีไงก็ต้องเจอแดดใช่ไหมต้องเจอฝนต้องเจอน้ําท่วมเป็นครั้งคราวเจอคนก็ต้องมีทั้งคนที่พูดจาไพเราะแล้วก็พูดจาไม่น่ารักแม้แต่คนคนเดียวกันเนี่ยบางทีก็พูดเพราะบางทีก็พูดไม่เพราะแม้แต่คนที่เรารักนะบางทีเขาก็พูดจาอ่อนหวานแต่บางทีบางคราวเขาก็พูดจาไม่น่ารัก คนเราก็ต้องเจอทั้งของที่พอใจและไม่น่าพอใจคราวนี้ถ้าเราคิดว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเจอสิ่งที่พอใจขออย่าได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเราก็ต้องเจอมีพระรูปหนึ่งนะอันนี้เป็นมีเรื่องรามีพระรูปหนึ่งเนี่ย เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนั่งสมาธิมีเสียงมีเสียงดังในครัวก็หงุดหงิดละกวาดใบไม้ก็หงุดหงิดเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันร่วงลงมาเยอะนะทำความสะอาดล้างจานก็บน่นว่าทำไมกินใช้จานเยอะเหลือเกินนะเป็นคนที่มีเรื่องบ่นได้ตลอดเวลา แล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันมีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจมากระทบเกิดกับเราอยู่เสมอนะเคยเจอคนแบบนี้ไหมในห้องเรามีไหมครูเรามีไหมถ้าใครไม่เจอก็โชคดีแต่ว่าในความเป็นจริงจะต้องเจอบางทีก็อยู่ที่บ้านนี่แหละนะ วันหนึ่งก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเห็นนะพฤติกรรมของภาพรูปนี้ก็เลยเรียกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านช่วยไปเอาเกลือมาหน่อยนะเอาเกลือมาห่อหนึ่งจากโรงครัวท่านก็เอามาให้หลวงนะเอาเกลือมาห่อหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพระหลวงพ่อบอกว่าให้โรยเกลือครึ่งห่อเนี่ยลงไปในแก้วน้ำํำนะดีไหม ลงไปในแก้วน้ำเนี่ยนะโรยนะแล้วก็ดื่มเป็นยังไงไไเค็มใช่ไหมอ่าคนนี้มาที่ลำธารแล้วก็โรยเกลือลงไปในลำธารแล้วก็หยิบน้ำในลำธารมาชิมเป็นยังไงไม่เค็มเฉยๆจืดพระหนูก็สงสยัยหลวงพ่อ ต้องการบอกอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าความทุกเนียนะมันก็เหมือนกับเกลือเกลือเนี่ยจะเค็มหรือจะจืดก็ต่อเมื่อก็ขึ้นอยู่กับว่าภาชนะมันเป็นภาชนะอะไรถ้าเป็นแก้วเกลือก็เค็มถ้าเป็นลำทานเกลือก็ไม่เค็มใช่ไ ความทุกข์กับมันกันนะมันจะหนักหรือเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยขนาดไหนถ้าเราใจเล็กเหมือนแก้วมันก็หนักถ้าใจเราใหญ่เหมือนแม่น้ำมันก็เบานะเข้าใจมเสียงดังแดดร้อนจะทำให้เราทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพใจเรา ถ้าคุณภาพของใจเราเนี่ยถ้าใจเรามีคุณภาพนะถ้าใจเราเ ใ, ใจเล็กๆมีคุณภาพที่ต่ําเนี่ยมันก็ทุกข์แต่ถ้าใจเราใหญ่เสียงดังนะคนต่อว่าด่าทอ ย, อยังไงใจเราไม่ทุกข์ พูดง่ายคือว่าความสุขหรความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหรือ ว, ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเสียงดังคนน่ารักหรือไม่ใจมันอยู่ที่ใจเราด้วยเคยได้ยินคําว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังไหมตบมือข้างเดียวไม่ดังหมายควา ม, ามาาว่าไงหมายความว่าทาอย่างเดียวไม่เกิดผลแจะดังได้ต้องอาศนะัยน้ําำจะต้องอาศัย มือสองข้างใช่ไหเสียงดังต้องอาศัยมือสองข้างมาสัมผัสกันนะความสุขและความทุกข์ก็เหมือนกันนะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่พว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นนั่นคือมือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งคืออะไรคือใจเรานะ เวลาเราทุกๆครั้งเนี่ยนะทุกใจนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนตั้งคนที่ทำอะไรเราเท่านั้นแต่มเป็นเพราะว่าใจเราด้วยเนะสียงดังถ้าใจาเราไม่สนใจไม่ทุกมีหลวงปู่องค์หนึ่งนะหลวงปู่บุ ด, ดาเนะ่ ท่นมรณภาพาไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ทํานมารณะภาพาก็อายุร้อยปีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสัก50ปีที่แล้วมีคนนิมนต์ท่านไปฉันในกรุงเทพท่านอยู่สิงหบุรีฉันเพลนเสร็จท่านก็จะกลับวัดโดยผมว่าขออนิมนมลหลวปู่พักก่อนเพราะว่าสิงหบุรีมันกลาย50ปีที่แล้วนี่สิงหบุรีมันมันพอมากกว่ากรุงเทพ โคราเลยมั้งหรือกรุงเทพคอนแก่น น, นะะคือถนนมันไ ม, ไม่ดีอ่ะรถ ก, ก็ช้าก็จัดท่องเท่ยนพักรู้สึกก็มานั่งเป็นเพื่อนเวลาจะคุยกับลูกศิษก็กระซิบกระสซากลัวรบ ก, กลวนรงปู่เบิร์ห้องที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านชำร้านโชว์หวยสมัยโน้ตเซเว่นยังไม่มีนะ เจ้าของร้างเนี่ยเป็นอาซิงอาซิงคนจีนสมัยก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยก็สวมเกียนะดูตับเกี้ยมาดูจับได้ไงอ่ะเคยเห็นไหมเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเห็นนะโอ้ทำเคยใส่ไหมเออหลวงพ่อนี่เคยเคยสวมเกี้ยเกี้ยนี่ีย่งเลยนะว้างได้ขว้างหมาคว้างไะ้เจ้าของสียมคาหมาคว้างหมาเลยนะบางทีก็ใช้คว้างซึ่งกันแล้วกัน ไม่ดีเลยนะสมัยก่อนไม่มีรงเทับพลาสติกไม่มีรองเท้ า, า, ทายางเวลาสวมเกี้ยเนี่ยเสียงดังมันก็ดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่นอนอยู่ลูกศึกก็หมหุนหิูลาคานพูดขึ้นมาว่าเสียงดังจังเลยเดินไม่เก่งใจกันหลวงปู่ท่านหลับแต่ท่านไม่ได้ท่านก็แค่ปิดตานะท่านได้ยินท่านก็เลยพูดมาว่าเขอเดินเขา อ, อยู่ดีๆรองหูไปรองเกี้ยเขาเอง ใชเสียงเกี้ยวไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเอาหูไปลองเกี้ยวเข้าใจนะ ม, มีเสียงเกี้ยวอย่เดียนี่ไม่ทําให้ทุกข์จะทุกข์ก็ต่อเมื่อเอาหูไปลองเกี้ยวเข้าใจนะตบมือข้างเดยวไม่ดังนะเวลาเวลาได้ยินเสียงช่างเนี่ยนะตีตะปูเอาค้อนทุบตะปูถ้าเราลาคาบนะแปลว่าเราเอาหูไปลองไปลองอะไร ไปลองคอนถ้าเราไม่เอาหูไปลองคอนเราทุกไหมไม่ทุกนะนี่เข้าใ จ, าใจครับเข้าใจไหมครับว่าตกนูนข้านเดียวไม่ดังเนี่ยคือว่าเราจะทุ ก, ก็ต่อเมื่อมีสองอย่างคือหนึ่งมีเสียงเกี้ยวสองมีเอาหูไปลองเกี้ยวหรือว่าหนึ่งมีเสียงคอนทุกตะปูนะนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งก็คือเอาหูไปลองลองอะไรลองคอนเวลามีคน เขาต่อว่าเราเหมือนกันนะเพาะเราทุกเนี่ยเดี๋ยวพุ่งไปโทษเขาอย่างเดียว น, นะต้องโทษเราด้วยว่าเราหูเนี่ยหูของเราเป็นหูหาเรื่องนะถ้าหูเราไม่ไปหาเรื่องเขาพูดอะไรไปก็เราก็ไม่ทุกถ้าเราทุกเนี่ยเป็นเพราะใจเราด้วยนะมีเพื่อนของพอคนนึ่งนะ พ่อแม่าอาจจะรู้จักอาจจะได้ยินชื่อนะชื่อโจนจันใดรู้จักนะโจนจันใดเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจชักชวนคนเนี่ยให้ไปปลูกผักทำสวนกลับคืนสู่ธรรมชาติสมัยเพา่งหนุ่มนะยี่สิบนๆนเนี่ยเขาอยากรวยเหมือนคนอื่นเขาก็เลยเข้ากลุงแล้วก็อยากเลิกก็ต้องไปทำงานก็ไปเป็นพนักงาน ทำความสะอาดห้องพักโรงแรมหัวหน้าเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านโจนบอกว่าไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยนะคือด่าอย่างเดียวเลยเห็นหน้าก็ดา่าเห็นหน้าก็ว่าขม่มปาก จ, จัดแล้ววันนึงเนี่ยแม่บ้านก็ให้โจนเนี่ยไปไปขัดลูกดิบประตูห้องพักโรงแรมลูกดิบเนี่ยมันเป็นทองเหลือง ขาไงสะอาต้องใช้อะไรนะเมเราไปขัดนะนะไปขัดหัวหัวขึงขัดนะเดี๋ยวนี้เลิกหรอทำไมหลวงพ่อทาประจำนขัดหัวขึงขัดเนี่ยวขึัขดเปทองเหลืองใช้บรัชโซ่บลัชโซ่จากบรัโซ่ฮะอ่าให้ใช้บรัโซ่ขัดตัวนันก็ขัดนะเจ้หน้าแม่บ้านก็ยืนคุมดูขัดเกี่ยวจะเสร็จอยู่แล้วนะผู้จัด ก, การมา ผู้จัดการมาเห็นก็โวยดา่าโจนว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงใช้ประโสดขัดไม่ได้นะแม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งให้โจนทำนะแทนที่จะแทนที่จะปกป้องนะซ้ำเติมโจนเลยนะเธอที่มันโง่ใช้ประโสดขัดได้ยังไงถ้าเราเป็นโจนนี้รู้สึกยังไงนะเพิ่งสั่งเราให้ขัดนะตอนนี้มาด่าแล้ ว, ลวนะเจ้นานายแบบนี้ก็มีเ้อยนะ แต่มีในโลกนี้นะมีเยอะด้วยนะโจรทีร่แรกเขาุดหงิดนะแต่สักพักเนี่ยก็ตั้งสติได้เขาพนมมือเลยนะยิ้มขอโทยครับขอบคุณครับและนับแต่นั้นมาเวลาถูกแม่บ้านดานะแกก็จะพนมมือยิ้มให้แล้วก็ขอบคุณครับคนที่ถูกด่าแล้วไม่ทุกข์นี่มีนะไม่ช่ว่าถูกด่า้วต้องทุกข์เสมอไปนะโจรเนี่ยคนหนึ่งเลยนะ ก็ทำนี้เนี่ยจนกระทั่งเพื่อนๆที่เป็นพนักงานโรงแรมเนี่ยหาว่าเขาโง่ให้แด้บ้านเนี่ยกดขม่มบอกเขานก็หาว่าโจรนี่มันบ้าเขาด่าดันยิ้มแล้วก็ไหว้เขาเนื้อดึงผ่านไปได้บ้านก็สงสยัยเรียกโจรมาว่าเนี่ยฉันสงสัยเหลือเกินว่าเวลาฉันด่าเธอเนี่ยทำไมเธอปรนมมือให้ฉัน แล้วก็ยิ้มให้ฉันขอบคุณฉันจวก็บอกว่าก็ขอบคุณแม่บ้านก็เพราะว่าเวลาแม่บ้านด่าก็ทำให้ผมเนี่ยหันกลับมาจัด ก, การกับใจของตัวเองฉนะันมาทาให้ใจ ม, นะมันเนสงบมันเป็การฝึกใจผมผมก็เลยขอบคุณแม่บ้านหลายครั้งผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ถิดแล้วผมก็รู้ว่าแม่บ้านเนี่ย มาเป็นความสุขของแม่บ้านที่ด่าผมแต่ผมก็ต้องขอบคุณนะที่ทําให้หันมาฝุกใจผมเองนับแต่วันนั้นมาแม่บ้านเนี่ยนะเลิกด่าโจเลยนะและนับแต่นั้นมาโจเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาเขาเจอใครด่าว่าหรือว่าเวลาเจอคนที่คิดไม่เหมือนเขานะเขาไม่เคยโกรธเลยก็ยิ้มอย่างเดียว ทำยิมีความสุขไหมโจรเนี่ยถ้าเราเป็นโจรขึ้นเรามีความสุขไหมใครก็ด่ามาเรายิ้มนะใครก็เฉียงเราไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ยิ้มอย่างนี้มีความสุขไหมแต่ถ้าด่าแล้วเราโกรธเนี่ยเราสุขหรือทุกข์นะเรื่องของโจรในชีวเตเนี่ยว่าถูกด่าแล้วไม่ทุกข์ไม่มีนะเพราะอะไร ตบมือข้างเดียวไม่ดังเข้าใจไหมถูกด่าแล้วเนี่ยจะทุกได้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งมีเสียงดา่าสองใจเราไปร่วมวงด้วยถ้าใจล้ถ้าใจแลมาไปร่วมวงด้วยนะหรือใจเรามองอีกมุมหนึ่งนะเออขอบคุณนั่นที่เขาด่าเรามันทำให้เรามาหันมาเห็นใจมองใจตัวเองแทนที่จะคิดว่าเขาด่ากูเขาด่ากูนะกูผิดอะไรมาด่ากู ก็มึงดีแค่ไหมอันเนี้ยดีทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ว่าพอเปลี่ยนมุมมองเออดีนะที่มาสอนให้เราฝึกใจดูใจตัวเองอคิดแบบนี้ไม่ทุกข์ อ, อนี่เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาเราทุกข์ใจนะอย่าไปโทษข้างนอกอย่างเดียวต้องกลับมาดูใจเราด้วยว่าใจาเรา ม, มีส่วนไหม หลวงพ่อชาท่านหลวงพ่อชาถือพัดโ t h o ะท่านเปรียบเทียบได้ดีนะถ้าบอกเวลามีหลุมนะเคยเห็นหลุมหลุมอยู่ดูในดินนะเอามือลวงเข้าไปอะ่ะถ้าเอามือลวงไปไม่ถึงหลุมเนี่ยแต่ว่าอะไรถ้าเอามือลวงไปไม่ถึงก็หลุมถ้าบอกคนทั้งร้อยทั้งพันก็จะบอกว่าหลุมมันลึกแต่นี่มีใครสักคนบอกว่ามือเรามันสั้นแขนเรามันสั้น ไม่มีใครสักคนนะใช่ไหมคือเรามักจะโทษหลุมว่ามันลึกแต่ไม่ได้มองว่าเอ้ยแขนกูสั้นหรือเปล่านะฉะนั้นอันนี้มันบอกว่ามันบอกว่าเราเนี่ยโทษคนอื่นเป็นประจำเราไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองนะแล้วเ ร, เราทุกใจเนี่ยเราโทษ ด, ดินฟ้าอากาศเราโทษฝนเราโทษฟ้าเราโทษครูเราโทษ เ, ท เ, ทเทพื่อนเราโทษเจ้านายเราโทษ แฟนเราแต่ว่าเราเมื่อกลับมาดูใจเราว่าใจเรามีส่วนนะหรือไม่ไม่ได้กลับมาดูตัวเราเอีกว่าเรามีส่วนที่ทําผิดหยุบเ่าที่ทําให้เขาพูดถึงนั้นแต่บางทีใจเราบางทีเรายังไม่ได้ทํำอะไรผิดเลยนะแต่ใจเราวางให้ผิดอย่างโจ้ในโจ้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลย นะเจ้านายสังก็ทำแต่ถูกดา่าแต่โจรจะทุกข์เมื่อวางใจผิดก็คือว่าไปยึดมั่นถือมัน่นกับคำดา่าแต่พอเปลี่ยนมุมมองว่าเอ้ยเขามาฝึกเรานะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะรู้จับเมืงนนะองโบราณไะมเคยไปไนะมเจอจากสมองฝีมือแล้วก็เงินของคนคนหนึ่ง ชื่อเล็กวิริยพันธ์แกรวยมากแกเสียชีวิตไปแล้วเป็นเสียชีวิตติดดินมากไปทํางานกับคนงานนะไม่ใช่อยู่บนหอคอยแกบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเข้าใจไหมแปลว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลถูกตําหนิจะไม่โคลนถ้าแก็ บ, บอกว่าออวันนี้เป็นมงคลเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะคาตําหนิ สอใจสอนใ้เห็นว่าเราเป็นเทวสอนให้เห็นว่าเราไม่ใช่เทวดาเรามีผิดพลาดได้เพราะบางทีคนที่รวยนะหรือว่าคนที่เก่งเนี่ยไม่ได้คิด่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเพราะว่าทําอะไรถูกหมดแล้วก็มีคนป้อยยอเนะี่ยก็ตัวความสดว่าเนี่ยกูไม่ผิดแต่พอมีคนมาตาหนิแสดงว่าอะแสดงว่าเออ เราผิดพลานะมันช่วยลดอาตาัตราน่ะนักเรียนที่เก่ ง, เ, กงเรียนเก่งๆต้องระวัง น, นะมันจะมีอัตราว่าฉันแน่ยิ่งมีนักยิ่งยิ่งเรียนเก่งเนี่ยพ่อหรือเพื่อนหรือแม่เวลาแนะนําเนี่ยไม่พอใจนะหรือสามีเนี่ยสามีเนี่ยเวลาลูกมาแนะนํามาทวงหรือว่าภรรยามาทวงเนี่ยโกรธเธอเป็นใครนะที่จริงเนี่ย มันทำให้เราเป็นมนุษย์มนามากขึ้นนะเพราะเราลดอัดตราคุณเล็กเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยความตำหนีเนี่ยมันทามันเป็นมงคลรอบหนึ่งมันทาให้อ่อนน้อมถ่อมตัวทำให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดาที่ผิดให้ได้แล้วก็สอง ม, มันทำให้เห็นว่าเรามีควรเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างคุณเล็กแกเป็นคนเก่งนะแต่แกเป็นคนที่ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข็จถึงสร้างมืองโบราณได้สวยงามเนะพราะนั้นเนี่ยแกถึงบอกว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลซึ่งก็ตรงกับที่ผู้เจ้าสอนผู้เจ้าสอนว่าใครชีโรช้โทษเราชี้โทษนี่รู้รู้ใช่ไหมแปลว่าะไใครชี้โทษเนี่ยนั่นคือผู้ที่ขุ่สัก์นะ ผู้ใดที่ชี้โทษเราก็ให้หมอเขาชี้ขุมซรัพถ้าเราเห็นทั่วของเราเห็นความผิดของเราเห็นข้อบกพร่องของเรานั่นคือเราเจอขุมซรัพแล้วขุมทักไม่ใช่ว่าคําชมนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ต้องการคาชมมากเลยเวลาขึ้นสเตตัสเนี่ยต้องกดไลน์นะถ้าเพื่อนไม่กดไลน์นี่โกรธนะ เป็นได้ไหะไม่ไปเล่นเหร <Okay. S 1> อเออดีแล้วมีรูกขเพื่อนใช่ไแกอัพเซตัสึ้นไปที่ไลน์นะถ้าไม่มีใครกดไลน์แกทุ่มนะแกต้องส่งไปที่ไลน์กลุ่มบอกว่าให้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยนะ <laughs> คืออย่างนี้ น, นะแค่เขาไม่กดไลน์กระทุ่มแล้วเดี๋ยวว่าแต่ตำหนิหรือว่าด่าเลยแค่ให้กดไลน์แค่ไม่ชมเนี่ยคือเราคิดว่าคําชมเนี่ยคือขุนทักพย์นะ อันนี้เป็นวิสัยของคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดนี่มองว่าคําชนคือขุมทรัพย์แต่คนฉลาดบอกว่าการชี้โทษน่ะคือขุมทรัพย์แล้วพระเจ้าบอกให้คบคนแบบนี้ให้คบคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา ใ, ใหนะ้เวลาใครใครบอกว่าเราผิดเราพลาดเนี่ยนะไม่จำเป็นว่าเราต้องทุกข์นะมันอยู่ที่ว่าเรามองอย่างไรถ้าเรามองเป็นเราก็ไม่ทุกข์เ้าเรามองไม่เป็นเราก็ทุกข์ แล้ว เ, เราทุกข์เราโกรธแล้วเราก็ไปโทษคนนั้คนนี้ว่าทําไมพูดอย่างนี้กับเราแต่เราไม่เคยกลับมาดูใจเลยว่าเออทําไมเราไปคิดแบบนะหลวงพ่อเชียสารโลนะท่านเป็นพระฝรัฟฟ่งนะท่านพูดดีท่านบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะทําที่จะบังคับให้เราทุกได้ฟังดีๆนะไม่มีใครไม่มีอะไรที่บังคับให้เราทุกได้มีแต่ชวนให้เราทุก ชวนให้เราให้กอใจมันอยู่ที่ว่าเราจะรับคําชวนหรือ่เอ า, อเาเพื่อนราขโมยดีสอเราขึ้นมาขโมยปากกาเราเนี่ยเขายังมาเค้าให้เราทุกข์ไม่ได้นะเราทุกข์ก็ต่อเมื่อเรารับคําชวนเขาเพื่อนมาว่าเราหาว่าเราโง่หาว่าเราไม่หล่อไม่สวยหาว่าเราผิวคล้ำลักแร้ดา เขาไม่ได้บังคับให้เราโปรธนะเขาแค่ชวนให้เราโปรดอยู่ที่ว่าเราจะรับคำชวนไหมถ้าเรารับคำชวนแปลว่าอะไรอ่ถ้ารับคำชวนก็แล้วเราทุกก็แสดงว่าเราผิดด้วยเราพลาดด้วยที่ไปรับคำชวนเขาใช่ไหมเขาไม่ได้บังคับเราเขาแค่ชวนให้เราทุกเรารับคาชวนก็เรารับคำเชิญเขาแล้าเราทุกเราจะโทษเขา ปุ๋มมะาต้องทั่วเราต้อเราล็อกคำชวนไปทําไมนะอันเนี้ยนะ น, นี่เป็นเรื่องเนี่ยนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะเป็นเป็นวิชาหนึ่งที่เราต้องรู้นะก็คือว่าอันนี้เป็นวิชาชีวิตนะไม่รู้วิชานี้สอนในโรงเรียนหรือเปล่าวิชาชีวิตข้อมันบอกว่าเมื่อมีเมื่อเใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจนะเป็นเพราะใจเรามีส่วนด้วยพรตกมือข้างเดียวไม่ดัง นี่เป็นวิชาชีวิต้วรุ้มีใครสอนไนหะแล้วถ้าเราถ้าเราไม่กลับมาดูใจเรานะไม่กลับมาดูหรือว่าถ้าเรามองไม่เป็นนะแม้เราเจออะไรดีๆเราก็ถูกนะเจออะไรดีๆ แต่มองไม่เป็นก็ทุกพี่จากซิโก้นะมะนักบอนบราซิลใช่ไหมนะด<ม>จากซิโก้นักฟุตบอลบราซิละไม่ใช่หอซิโก้เกียรติศักดิ์เซนํางเงิอใช่ไหมแต่ซิโก้คนแรกเนี่ยคือบราซิลนะเก่งมากเลยเขาเป็นใครพอแม่ด้วยจากบ้าบนเมืซิโก้อะอะ<ม> ออก่อนก็เป็นโค้ดก่อนเขาเป็นโค้ดทีมชาติไทยเขาเป็นนักบอลที่เก่งมากเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์นะเขาเป็นหน้าทีมชาติไทยแต่ว่าเขามาดังตอนที่จะมาบวชแล้วก็เลยไม่เคยได้ดูหรอกว่าเขาเล่นยังไง <c oughs> นะรื้แต่ว่าก็าชอบตีลังกาเมื่อเขายิงประตูเข้าแลังจากที่เขาเล่นเป็นทีมชาติไทยเขาก็ เบนเขียนไปค้าแข่งต่างประเทศเขาไปแข่งที่ประเทศไหนรู้ไหมครับก็คงแถวๆนี้สิง โ, โปรมาเลเเวียดนามนะตออหลังก็ไปถึงอังกฤษไปเซ็นสัญญาแข่งในสมโมสร น, นะอังกฤษเป็นข่าวดัง ม, มากในเมืองไทยแล้วทุกคนก็ร้องเมื่อไหร่ซิโก้ จะได้ลงสนามซิกโก้ก็อยากหวังจะให้ความฝันของคนไทยเป็นจริงแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงเลยเพราะว่าซิกโก้เนี่ยไม่เคยได้เล่นเป็นตัวจริงเลยนั่งอยู่ข้างสนามตลอดตลอดเลยนะั้นไม่มีนัดใดที่เคยเล่นลงสนามทุกไหมทุกเขาเครียดเขานอนไม่หลัง เขาปวดหัวเขาทุรนทุรายแล้วเขาสูรว่าเป็นการการไปยังติดเนี่ยมันร่มเหลวมากเขาบอกใช้เวลาทําใจอยู่นานนะแต่หลังจากเมื่อไม่นานอันนี้เขาให้สัมภาษณ์เวลาคนเขาสัมภาษณ์ถามหนึงเรื่องเนี่ยที่เขาไปติดแล้วก็ไม่ได้เล่นบอลเนี่ยเขายิ้มเขาบอกมันไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นที่เราคิดไม่ถูก ผมมองไม่เห็นผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ออกอะไรเขาบอกว่าไปอังกฤษเนี่ยมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้รถสองได้บ้านสามได้ภาษาสีได้พัฒนาร่างกายห้าได้เจอคนหลากหลายหกได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะเจด็ดได้เดินทางแปดได้สัมผัสดีกฟุตบอลที่มีสีสันที่สุดในโลก เสียอย่างเดียวไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นเขามองไม่เห็นว่าเขาได้อะไรบ้างเขามองแต่เสียเขามองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นนะแล้ว ก, ก็โทษนะโทษนั่นโทษนี่แต่ที่จริงเขาได้นะแล้ได้เยอะด้วยแต่เขามองไม่เห็นความทุกข์คนเราเนี่ยเรามักจะมักเวลาเรามีความทุกข์เรามักจะโทษนั่นทษนี่ รวยเหลือเกินไปยังเป็นไม่ได้อะไรเลยนะที่จริงได้นะแต่มองไม่เห็นได้จะโทษใครนะได้แต่มองไม่เห็นกลับมาเมืองไทยอยู่พักหนึ่งถึงเห็นคนระโอ้โหเราได้ต้นเบยอีกแล้วนะนั่นเนี่ยความทุกข์เนี่ยส่วนมันเกิดที่มุมมันอยู่ที่มุมมองนะว่าเรามองเป็นหรือเปล่าถ้าเราถ้าเรามองไม่เป็นก็เห็นแต่ทุกข์ ถ้ามองเป็นก็เห็นสุขนะนักเรียนเนี่ยนะเด็กๆ เ, เนี่ยหลายคนนะแต่ทุกข์เพราะว่าตัวเเนี่ยไม่มีไอ o ฟ e ไม่มีแท็บเล็ตเหมือนเพื่อน เป็นนะพวกเราเป็นนะให้เป็นแล้วทุกข้ออะไรเวลาทุกหลายคนเนี่ยมีเยอะแยะมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่อบอุ่นมีห้องนอนที่หรูสบายติดแอร์มีของเล่นเยอะแยะดีคอมพิวเตอร์มีเครื่องดนตรีมีเป็นร้อย แต่ยังทุกข์พอเห็นแต่สิ่งที่ตัวไม่มีก็คือแท็บเล็ตไอโฟนหรือว่าของเล่นเครื่องเล่นออนไลน์เด็กสาวหลายคนเนี่ยมีทุกอย่างอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นะแต่ทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพงเพราะว่ามีสื่อไม่กินไว้บนใบหน้าไอ้ของดีๆมีเยอะแย ะ, แยะไม่เห็นเห็นแต่ของไม่ดีที่มันมีอยู่ไม่กี่จุด นะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าทุกข์เพราะมองไม่เป็นนะอย่าไปโทษสิวนะต้องมาโทษที่ว่าทำไมเรามองไม่เป็นมีหนักตอนนี้นะมีเดี๋ยวเพียงถึงจัดพิการเป็นชาวไต้หวันเกิดมาพิการพิการสมองนะพูดไม่ได้เดินไม่ได้ต้องนั่งรถ แต่รู้ไหมเธอเรียนจบปริญญาเอกมาหาวิทยาลัยที่อเมริกา UCLA มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสเรียนจบปริญญาเอกโอโ้โหเก่งนะเพราะว่าหลวงพ่อ น, นี่ยังมีปัญญาเรียนขนาดนั้นเลยทั้งที่ไม่ได้พิการอะไรเลยเธอทำได้ยังไง หลายคนเนี่ยพราะเพราแม่หลายคนถ้าเหตุถ้าล่วลูกในพิการในสมองตั้งแต่อยู่ในท้องนะบางคนคิดว่าต้องเอาออกอย่าให้เกิดมาเลยสงสารกลัวลูกจะทุกข์แต่ที่ไหนได้หวังมเมย์ลินเนี่ยนะแกเรียนถึงปริญญาเอกแกพูดไม่ได้แต่แกเขียนนอาแกได้เชิญไปพูดตามที่ต่างๆในมหาวิทายาลัยโรงเรียนในไต้หวันวันหนึงก็ไปพูดที่โรงเรียน พัธยมพูดด้วยการเขียนนะเขียนใส่กระดานนะเสร็จ แ, แล้วก็มีพอพูดจบ ก, ก็มีนักเรียนคนนึงยกมือว่าถามว่าคุณมองตัวเองอย่างไรคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรที่เกิดมาทิการคุณน้อยเนื้อต่างใจนะทห้องประชุมที่เงียบกริบเลยนะเพราะไม่ใครเปดดิเขาไม่ถามแบบนี้กันมันเป็นระลา ย, ยาที่ไม่ควรถามคนพิการแบบนี้ แต่ว่าหวังวบหนินงยิ้มแล้วก็หกันไปเขียนกรได้ฉันมองตัวเองอย่างไรเขาก็เขียนหนึ่งะฉันเป็นคนน่ารักสองพ่อแม่ ร, รักฉันสามพระเจ้ากรัฉันเกิดเป็นคริสนะสี่ฉันมีเรียวขาที่สวยงามห้าฉันมีแมวที่น่ารักหก ฉันเขียนหนังสือแลว้วาดภาพได้เธอวาดตัวได้สวนเจ็ด <7. S 1> ฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ไม่มีเธอไม่มีอะไรเธอไม่มีร่างกายปกติเหมือนคนอื่นเธอไม่มีแขนขาที่ปกติเธอไม่มีปากที่สามารถพูดได้ เมื่อไม่มีก็ไม่ต้องมองอย่าไปสนใจมองแต่สิ่งที่มีแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์เธอมีอะไรเธอมีสมองเธอมีหัวใจเธอเขียนหนังสือได้แล้วเธอก็ใช้เนี่ยสิ่งที่เธอมีนะทำให้เรียนจบไปเรียนยากเองแค่ที่สัมมาคือเธอมีความสุข ไอ้เวลาพวกเราเนี่ยนะเวลาทุกเนี่ยเราเราบอกว่าโอ้ยเราไม่มีอย่างโน้ไม่มีเงี่ทําไมฉันเกิดมาแย่แบบนี้นะทาไมพ่อแม่ไม่ซื้อนูอ่นซื้อนี่ให้นะทำไมฉันไม่หลอ่อไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาอันนี้เรามองผิด น, นะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่เรามีเราจะมีความสุขมากเลยโอ้มีเยอะแยะไปหมดนะี่แหละก็คือตัวอย่างว่า ทุกข์รู้สึกอที่ใจด้วยตบมือข้างเดียวไม่ดัง <c oughs> ว่างไปเลยที่การความพิการเนี่ยก็คือมือข้างหนึ่งแต่มืออีกข้างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะว่าใจไม่ไปนสนใจสิ่งที่ไม่มีไม่ไปนสนใจสิ่งที่พิการเมื่อมี ม, อมือข้างเดียวมันก็ไม่เกิดเสียงดังคือไม่ทุกข์ พิการแล้วทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ความพิการด้วยหรือใจเนี่ยมันไปตับพ้อว่าทําไมสัมพิการนะมันมีสองปัจจัยนะหนึ่งพิการสองเสียใจจดจอ่อเสียใจเพราะพิการหรือว่ารู้สึกท้อแท้เพราะพิการอันนี้เป็นเริ่มใจแต่ว่างมือลิ้นเนี่ยนะไม่มีอันที่สองเพราะฉะนั้นตบมือข้างเดียวไม่ไดังเหมือนกับไฟเลยนะ จุดไม่ขีดเนี่ยนะมันต้องมีเชื้อมันถึงจะเกิดไฟมีแต่ไม่ขีดแต่ไม่มีเชื้อมันก็ไม่เกิดกองไฟสรุปก็คือว่าเวลาเราทุกข์ใจนะอย่าไปโทษข้างนอกอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษร่างกายอย่าไปโทษสิวอย่าไปโทษพ่อแม่เราทํำไมไม่ซื้อทับเล็ตให้ ให้ซื้อไม่พาไปฮ่องกงไม่พาไปสิงคโปรนะ์ต้องกลับมาถามใจเรานะใจเราเนี่ยคือปัญหาไม่รู้เกิดยี่สิบนาทียังมีแค่สองสายไะ แล้วครั้นี้เนี่ยนะพูดถึงการโทษตัวเองนะมีอนไรที่ต้องระวังนะการโทษตัวเองให้การโทษคนอื่นนะอันนี้ต้องระวังนะมันผู้ชายคนหนึงเนี่ยอันนี้เล่าเอาไว้ให้เป็นข้อคิดนะผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพ์ไปหาหมอหมอสงสัยแฟนผมเนี่ยจะหัวหนัวหัวตึง เพราะผมเรียกทีไรเธอก็ไม่ขานหมอมาที่บ้านผมเล้ไหมมาช่วยตรวจหน่อยหมอบอกไม่มีเวลาให้พาไปหาไปหาหมอวันจันได้ไหมวันนั้นตอนนั้นคือวันศุกร์ให้ไปหาหมอวันจันได้ไหมไม่ได้หรอกอยากจะให้หมอมาวันนี้เลยอาการแทรขหนักมาก หมอเลว่าหมอไม่ว่างแต่ว่าเอานีแหเช็กขอเช็กหมายว่าแฟนคุณเนี่ยนะอาการหนักแค่ไหนหุ่นหนกเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ไหนผมอยู่ในห้องครับแฟนคุณอยู่ไหนอยู่ในห้องครัวครับนั้นคุณลองตะโกนเรียกชื่อแฟนแล้วดูว่าเธอตอบรับไหมสมทรงสมทรงหมอผมเรียกไปแล้ว ไม่มีเสียงตอบรับเลยครับเอางั้นคุณไปที่หน้าห้องไปที่หน้าประตูแล้วตะโกนเรียกชื่อเธอสมทรงสมทรงไม่มีเสียงตอบรับอีกเหมือนเดิมครับหมอคุณลองพูดตะโกนให้ดังอย่างนี้ได้ไหมสมทรงสมทรงสมทรงเงียบไม่มีเสียงตอบตอนนี้เธออยู่ไหนเธออยู่ในครัวงั้นไปที่หน้ า, ห น, าหน้าหน้าห้องครัวแล้วตะโกน เขก็ไปไม่น่าอ้าตะโกนเงียบครับหมอแ ต, ตอนนี้เขาทาอะไรอยู่เขากําลังหันผักอยู่เขากำลังหันหลังหันผักอยู่นันคือไปที่ข้างหลังเขาเลยนะแล้วตะโกนไม่ตะโกนแนละ้วพูดพูดเสียงดังๆหน่อยส่งๆส่งๆนะไม่ได้ไม่ได้ยิคราวนี้เขาก็เลยแตะหลังภรรยาแล้วเรียกชื่อตะโกนใหญ่เลยส่งๆส่งกล่าหูภรรยาหันกลับเลย เธอจะบ้าหรือไงเป็นอะไรเหรอเรียกชื่อกักฉันไปอีกครั้งแล้วฉันก็บอกว่ามีอะไรมีอะไรแต่เธอก็เงียบทุกทีสงสัยเธอหุหนวกเธอต้องไปหาหมอแล้วนะต้องลองให้หุ่นหนวกนะฮะใครหุหนวกเออใช่ไหมสามีไปโทษภรรยาวะ่หุหนวกแต่ที่จริงตัวเองอนะหุหนวกอันนี้เป็นที่อุทธรณ์สอนใจแล้วเวลาเราไปโทษใครนะ เราต้องลองว่าเราจะเป็นเองไม่ใช่เขาเช่นเราจะไปโทษว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มันไม่เขาไม่เข้าใจเราเลยนะพ่อแม่ไม่เข้าใจเราเลยนะเพื่อไม่เข้าใจเราเลยนะแต่ที่จริงเราต่างหาที่ไม่เข้าใจพ่อแม่เราต่างหาที่ไม่เข้าใจเพื่อนนะเอาแล้วก็ไม่มีคําถามเหรอ จดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เด็กก่อนเด็กก่อนนะนมีมหมตกลงอยากเป็นตรลงเกลือเนี่ยนะมันจะเค็มหรือจืดนี่พ่อกันฮะฮะภาชนะใช่ไหมความทุกข์จะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับอะไรใจเรานะว่าใจเราเป็นแค่แก้ว หรือเป็นลำทาง น, นะส่วนใหญ่นี่คเป็นแก้วแก้วเล็กๆนะไม่ใช่เป็นลำทางเท่าไหร่ต้องขยายใจแล้วให้กว้างขึ้นนะจนเป็นลำทางเลย เขาไม่เป uh, ็นคำถามก็เชิญเพราะว่านี่ก็พูดันเกิดสื่อมโ เหนือได้เยอะแล้วนะเหนูไม่ไม่ได้รู้สึกคุบแต่เราก็ยังมองว่าแต่หลายอย่างเนี่ยเขาเขาคอใจเกินไปไหมก็จะเรียนถามผู้จารว่ า, าการที่เขามีมุมมองแบบนี้ค่ะจริงๆเรามองว่าดีแต่ว่ามันจะดูมันจะส่งผลเสียไหมเขาดี สิ่งที่เรียกว่าสันโดษพ<ะ>อใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้<ะ>ใช่ไหมแต่สันโดษเนี่ยผู้เจ้าสอนว่าต้องคู่กับวิรยิยะความเพียร<ะ>น ะ, ะเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่สันโดษแล้วเนี่ยกลายเป็นพวกเฉื่อยชา<ะ>ตามข้าวสารกรอบมอเคยิบไหมตามข้าวสารกรอบมอคือว่าต้องการกินแค่เนี่ยก็ตามวันเนี้เท่านี้ยไม่คิดจะตามให้มันสําหรับวันวันอื่นๆด้วยนะ อยากจะได้อยู่ได้กินอยู่เพียงแค่แควัลสิบาทก็อยู่ได้นะก็หาเงมาแค่วันละสิบเอ็สิบสองบาทก็พอและ้ะอันนี้เรียกว่าเป็นคู่ที่เฉื่อยชาเพราะว่าเวลาที่เหลือเนี่ยก็เอาไปนั่งเล่นอ น, นเล่นต้องมีวิริยะคู่กันโอเคได้เก้าแล้วไม่ทุกแต่ว่าก็ต้องทำความเพียรนะต้องขยันขยันเรียนขยันเตรียมต่อไปนะ มันไม่ได้ผิดที่เขามีความพอใจเท่านั้นแต่ไม่ผิดถ้ามันจะผิดก็ผิดตรงที่ว่าเขาไม่ทําอะไรต่อหรือว่าเฉื่อยชาไม่ในพยันาม น, นั้นก็กระตุน้นให้เขามีความพยันเพราะว่าถ้าเขาพยันเนี่ยเขาก็จะได้มีความรู้มากขึ้นและความรู้มากขึ้นมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่แค่ทํามา ก, กินได้เงินเดือนแต่มันสามารถเป็นประโยชน์คนอื่นให้ด้วยนั้นก็พยายามกระตุน้นให้เขามีความขยัน อย่าไปบางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยไปไปพูดให้รู้สึกให้ให้รู้สึกว่าเก้านี่มันน้อยเราก็รู้สึกแย่ที่ได้กเก้าเกิดความอยากที่ต้องได้มากมากก็คือผู้งานกระตุ้นให้เกิดตัณหาและจะได้เกิดความทุอย่างแม่ในหลายคนจะกระตุ้นตัณหาตัญหาจะเป็นว่าเช่นเอาเอาเอ า, เอ า, เอารางวัลเปเครื่องรอดว่าถ้าถ้า ถ้าได้เรียนดีได้คะแนนดีเดี๋วแม่ให้ให้เงินไปผ่าตัดสนส่งนะเอาเดี๋ยวนี้มีนะเดี๋ยวนี้พอ่อลูกเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเอารางวัล น, นะว่าถ้าสอบได้ดีนะแม่ต้องให้เงินนะไปผ่าตัดเสริมทำจมูกทําปากทาอกนะเดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วนะหรือบางทีแม่ก็ก็ล่อด้วยวิธีนี้เหมือนกันอันนี้เรา ก, กระตุ้นตัณหาหรือว่าดา่ดาดา่าด่าให้รู้สึกรู้ให้รู้สึกว่าโอ้หไอการได้ การได้ 3.5 ที่มันแย่เหลือเกินเนี่ยมันต้องได้4ทุติยนี่มีอย่างนี้เหมือนกันนะบางคนเนี่ยได้ 3.9 มียแย่นะหยุดแย่ต้องได้4ถึงกับรวมหัวกันนะทุกติในห้องสอบเพื่อจะได้4นะมีนะเพศได้ 3.8 เนี่ยนะสองสามคนเนี่ยรวมหัวกันทุกติในห้องสอบเราก็คิดว่าความทุติเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่คะแนนต่ํำ หรือเรา่คนโกงได้ต้องยากจนไอ้คนเล่นเกงก็โกงได้เหมือนกันนะถ้ามันยังไม่พอไอ้คนรวยก็โกงได้เหมือนกันถ้ายังไม่รู้สึกพอบางที่พ่อแม่นี่ก็ทําให้ลูกรู้สึกแย่ที่เติมได้สามจุดห้าสามจุดแปดเพราะไม่ได้สี่อันนี้ก็เรียกว่ามันต้องมีตัณหาถึงเนี่ยเราคือชื่อว่าต้องผูุกตัณหาถึงจะทําให้มีความเพียรแต่จริไม่จำเป็นนะสันโดษก็ได้แต่ว่าก็ให้มีความเพียร น, นะ ขยายความเมื่อกี้หน่อยนะที่อาตมาพูดเรื่องการเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยมันทําให้ลืมกลับมามองที่ตัวเองแล้วก็อาตมาก็พูดว่าหลายคนเนี่ยมักจะพูดว่าเขาไม่เข้าใจฉันหรือว่าเขาไม่ฟังฉันยกอย่างเช่นพ่อแม่หลายคนเนี่ยมักจะพูดว่าเนี่ยลูกทํามาปรึกษาว่าฉันมลูกจะฟังจะฟังพ่อแม่ที่เป็นปัญหาพ่อแม่หลายคนเลย ตาาก็บอกว่าต้องเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่ฟังลูกก่อนส่วนใหญ่ลูกเนี่ยไม่ฟังพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ฟังลูกตั้งแต่เล็กคือยังไงสั่งสั่งสั่งนะไม่ได้มีการคุยกันนะพอพ่อแม่เนี่ยทำมิตรลูกมากๆนะ่ะคือไม่ไม่ฟังไม่ฟังสั่งอย่างเดียวสั่งกับสอนนะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยถามความรู้สึกไม่ค่อยถามเหตุผลนะเช่นบางทีลูก ทำไม่ดีนะไม่ทํากันบ้านก็ว่าลูกตับที่ไม่ไม่ทันการโดยว่าก็ทําไมมันก็กลายเป็นว่าพอลูกโตขึ้นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นบายรุยแ่แล้วท่านก็มาก็แนะนําว่าแนะนําพ่อแม่ว่าเริ่มต้นจากการที่ฟังลูกก่อนแล้วขีดน้อยขีดน้อยลูกก็จะฟังพ่อแม่ อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาคือพ่อแม่อลายคนเนี่ยมักจะไปโทษลูกแต่ลืมมองไปที่ตัวเองว่ามีส่วนหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเพื่อนไม่เข้าใจเราเพราะเพื่อนนะเห็นแต่ข้อเสียของเราเพื่อนเอาแต่กาเนิดเราจริงๆเราต้างหาที่ไม่เข้าใจเพื่อนเพราะเพื่อนอาจจะเห็นมีความดีของเราอาจจะชมเราแต่เราไม่เคยสนใจ ไม่เคยจดจำคำชมของเพื่อนเราจะจำแต่เฉพาะคำไม่ดีคำตำหนิของเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกน้อยใจเพื่อนนะว่าเขาไม่เข้าใจเราแต่ที่จริงเราไม่เข้าใจข้อังนหะเขาชมเราแต่เรามองไม่เห็นหรือว่าเราลืนะมบางทีไม่ใช่เพื่อนบางทีเป็นคู่รักนะเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เข้าใจฉันนะ ปัญหาคือว่าคนอย่างนี้เนี่ยไม่เคยกลับมามองตนเท่าไหร่และการมองตนอย่างนี้เป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตที่เร่งรีบนะมันทําให้เราเนี่ยส่งติตออกนอกกรอบเวลาแล้วทําให้เราไม่มีอะไรนิ่งๆที่จะกลับมาใคร่ครวญตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยปัญหา ความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธ์ไม่ว่าในบ้านในที่ทำ ง, งานในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราหันกลับมามองตัวเองอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยมันอาจจะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายปัญหาได้ อตมาชอบชอบนิทานเป็นนิทานเซ็นก็ได้นะเป็นเรื่องของชายตาบอดวันนึ่งก็ไปเยี่ยมเพื่อนคือสนทนากันเต็มค่ำชายตาบอวาว่าตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแนละ้วแต่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยเพื่อนก็ยื่นโคมโคมกระดาษให้ชายตาบ่าว่าเอาไปทำไมโคมฉันตาบอด ไม่มีประโยชน์ attan. เพื่อ <ety> นเขาบอกว่าถึงคุณไม่ต <textbooks. S 1> <criminal magic. S 2> ้องการใช้โคมนี้นะแต่ว่าคนที่เดินผ่านไฟความมันในถนนเนี่ยเขาเห็นแสงไฟเขาก็จะรู้ทางแล้วเขาก็จะไม่เดินมาชนคุณด้วยนะแกก็รับโคมของเพื่อนไปแล้วก็เดินกลับบ้านไปพักใหญ่เลยนะไม่ทันถึงบ้านกลางทางพราว่ามีคนมาเดินชนเนี่ยจนล้มเลย ก็โมโหตว่าุววึ้นยแกตาบอดหรือไงไม่เห็นโคมของฉันหรือผู้ชายันก็ขอโทษขอโคแล้วก็บอกว่าโคมของคุณเนี่ยมันดับไปนานแล้วครับจบเขาต้องการบอกอะไรเขาต้องการบอกว่าคนเราเนี่ย เมื่อเวลาจะทําอะไรเนี่ยอย่านึกถึงแต่ตัวเองให้นึกถึงคนอื่นด้วยคนตาบอดเนี่ยไม่ต้องการใช้โคมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการถืโคมมันก็ช่วยให้คนที่ตาไม่บอดเนะี่ยเขาจะเห็นทางและอันนี้รียประโยชน์ท่านแล้วประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะกลับมาสู่ตัวเองถือว่าเมื่อเขาเห็นทางเขาก็ไม่เดินมาชนเรา คนเราเวลาจะทำอะไรต้องนึกถึงคนอื่นด้วยอย่าพิจารณาตัวเองเราไม่ต้องการก็จริงแต่ว่ามันเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วก็ควรทำสองเมื่อเกิดเหตุเมื่อเกิดปัญหาอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นให้กลับมามองตนใช้ตาบอดเนี่ยไปโทษคนที่มาเดินชนว่าตาบอดเรืร่องงานไม่เห็นโคมใชเหรอแต่เขาไม่รู้หรอกว่าโคมเขาดับไปนานแล้วคนที่มองไม่เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองนะก็คือไม่ใช่คนตาบอด วนนี้เขาว่าแล้วเลยนะคนที่ไม่เห็นความผิดพลาดตัวเน่ะคือคนตาบอดนะถ้าเราไม่อยากเป็นคนตาบอดเราก็ต้องนะเห็นความผิดพลาดตัวเองรที่สุดเลยคือว่าหนึ่งเมื่อจะทําอะไรต้องนึกถึงคนอื่นด้วยอย่ามึดถึงแต่ความต้องการตัวอย่างเดียวนี่คือนอยิยามปกติสองเมื่อเกิดเหตุเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าเพิ่งโทษคนหนึ่ง ให้กลับมามองตอนก่อนสำรวจตนตนก่อนว่าเราผิดพลาดไหมแต่ปัญหาในที่ทำ ง, งานปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่โทษคนอื่นก่อนแล้วก็เลยไม่มองว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนหรือเปล่าอันนี้เป็นความจริงที่เจ็บปวด น, นะการที่พวเราต้องกลับมามองตัวเองว่าแล้ังจากที่เราโทษเข้ามานานแล้วมาพบว่าโอ้เรานี่ มีส่วนไม่น้อยเนี่ยอัตตาตัวตนมันยอมรับไม่ได้นะเพราะมันเลยคิดว่าฉันถูกตลอดฉันถูกตลอดแล้วมันยอมรับไม่ได้ว่าไอ้ที่จริงฉันก็ผิดนะมันแปลว่าจะว่าเสียหน้านและอัตตาเมันไม่ยอมนะที่จะเสียหน้ามันไม่ยอมที่จะรับว่าฉันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยก็จะทั่วคนตลอดเวลา แล้วคนอย่างนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจะเป็นคนที่หงุดหงิดหัวเสีย ก, ก, กลเกลียวกราดได้ง่ายเราก็เห็นแต่ความผิดพลาดคนอื่นตลอดเวลามันจะก่อบุคลิกที่การบิดที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีปากร้าย ก, ากราดเกลียว แล้นเหล่านี้นังสารนะเพราะว่าเขาจะไม่มีความสุขเลยเขาจะไม่มีความสุขและถอนตัวออกจากนิสัยนี้ไดยากเพราะสะสมมานานอย่างนี้หลวงพ่อในเรื่องนี้ัยที่อาจมาเล่าเนี่ยท่านก็เห็นนะพระนุ่มเนี่ยนะไม่มีความสุขเพราะแกนี่เป็นคนที่เห็นความผิดพลาดโทษความผิดพลาด ไปนอกตัวตลอดเวลาและคนที่พอเห็นความผิดพลาดทุกนย่งเยอะไปหมดเลยนะอารมณ์หนุดหงิดหัวเสียเป็นคนที่แข็งกระด้าง น, นะและคนเหล่า น, นี้นะน่าสงสารอย่างเงี้ยคือว่าไม่มีใครอยากคบยิ่งแก่ตัวเนี่ยนะเดี๋ที่จะมาเจอเยอะนะมีลูกนี่มาปรึกษาว่าพ่อหรือแม่เนี่ยก้าวร้าวบน่นโวยวาย ลูกก็สงสารแม่นะเพราะว่าสงสารพ่อว่ามันเครียดนะแล้วสถากนการก็สงสารอย่างคือไม่มีลูกคนไหนอยากเข้าใกล้เลยหรือแม้กระทั่งคนใช้พน ง, งานมีครูคนหนึ่งนะแต่เป็นครูที่เคียบมากเลยนะครูนักเรียนช่างะสม ถ้า แ, แกนักเรียนคนไหนเนี่ยออกเสียงไม่ถูกต้องภาษาไทยเนี่ยนะหรือว่าทํำคำตอบผิดแกก็ตีนะนักเรียนกลัวแกไม่ดูดเฉพาะในชั้นนะแกดูนอกชั้นด้วยเราจะมาเจอครู ด, ดูดมาเยอะแล้วแต่ครู ด, ดูหลายคนนี่นะดูในชั้นเวลานอกชั้นไม่มีอะไรเลยมีมีแต่เมตตาครูเนี่ยเด็กลักคือมีทั้งพระเดชและพระคุณ อาจมาเจอครูแบบนี้เยอะก็เลยรักครูแบบนี้ทั้งที่ตีตีกันหนักมากเลยอาสามนี่ตีมากเลยนะแต่ว่านักเรียนรักครูทุกคนส่วนใหญ่นะพ่อเวลาอยู่นอกชั้นนะแกมีเมตตานะแต่ครูครูสมศรีเนี่ยนะแกแกดุรอกชั้นนักเรียนก็กลัวเห็นหน้าแกคุกนักเรยก็หลบแล้วแกไปนี้จนมาทั้ะเสียนนะเพราะเสษียนเนี่ยแกอยู่กับลูกอยู่กับหลานแกก็มีแต่พ่อตำหนิลูกตำหีกหลาน ลูกหลานก็เหินห่างไม่ค่อเข้าใกล้แล้วพอแกป่วยนะแกป่วยแกก็แช่อารมณ์กับหมอโวยวายใส่หมอพยาบาลพยาบาลก็หมอไม่อยากเข้าใกล้แกมีเรื่องตำหนิหมอพยาบาลตลอดเวลาลูกหลานก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมเหงาแล้ววันหนึ่งแกกวดใจยอยุดเต้นนะก็ปั๊ม แต่ป้าไม่สําเร็จนะข็แกก็ตายตายเลยนะลูกหลานไม่เยี่ยงนะมารับศพนะก็ไม่กล้านไม่กล้าที่จะดูหน้าแกแล้วเวลาเอาลงเนี่ยนะ เ, เ, เวลาเคลื่อนย้ายศพเนี่ยลงลิกนะลูกหลานก็ลงลิกต์คนละตัวไสศพ คือกลัวหรือว่าระอาแม้กระทั่งเวลาตายเนี่ยนะก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาเข้าใกล้เพื่อตอมาเขียนเรื่องนี้เนี่ยก็ชื่อว่าสดเงาที่จริงเนาตั้งแต่ป่วยแล้วเพื่อเนี่ยน่าสงสารนะคือคือพอพอพ อ, พอสะสมนิสัยแบบนี้นิสัยที่เพง่งัทษคนอื่นมากๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่กลับมาดูตัวเองเนี่ยนะไม่มีการปรับปรปงตัวเนี่ยก็จะเกิด น, นิสัยที่เป็นคนที่หมีกา็าวร้าวไม่มีความสุขเลย แล้วถึงเวลาป่วยก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเวลาแก่ก็ไม่มีใครจะมาคล้อมร้อมเข้าใกล้เวลาตายก็ตายแบงเหงาและตอนที่ป่วยนี่ก็ทรมานนะเพราะว่าโวน ว, า, วายใส่หมอพยาบาตลตลอดมาตัวนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมาสนใจเข้าใกล้อีกดูแลอันนี้มันมั น, ม, น, ม, นมันเป็นมันเป็นผลบั้นปลายนะของการที่เพ่งโทษคนอื่นนะซึ่งมันนะ่าถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยจะมาว่าถ้าเรามองนี้บ่อยๆนะมันเตือนใจให้ระวังตัวนะ พราะว่าเราจะเป็นคนอย่างนี้นะกลับมาดูใจของเราเสมอและมันทาให้เราเนี่นพยพยายามปรับปรุงตัวเองมันทําให้เราเนี่ยอดกลั้นทําให้เราเนี่ยมีความอดทนนะทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจกันอื่นแล้วมันทาให้เราเนี่ยมีความสุขและเป็นที่รักของคนอื่นได้ง่ายจีนธรรมมาได้ฟังเรื่องราวของลูกที่เป็นทุกข์พรพ่อแม่แบบนี้เยอะมากเลยนะ ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันเป็นมันเป็นเฉพาะยุคนี้เราเป็นมานานแล้วแต่ว่าเรนนี่เป็นไม่เยอะคือลูกก็อลูกก็ทุกทรมานมากแล้วลูกก็รู้สึกผิดนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีพูดอพูดไม่ดีกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีนิสัยแบบนี้เอาใจตัวก้าวร้าวทุบคนตลอดเวลาอาจจะมาสงสัยว่าเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะในยุคที่ผู้คนเนี่ยมาอยู่เมืองแล้วก็ โตใครโตมานกันมากขึ้นแต่ตนำไมไม่ค่อยเจอแบบนี้ในชนบทนะแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอในชนบทเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็ไอเ้เพ็าคนชนบทการศึกษาน้อย mm hmm. เหตุผลเขาก็เลยไม่ค่อยยึดถือในเหตุผลมากเขาก็เขาก็ากยังไงก็ได้นะแต่คนมีการศึกษาเนี่ย mm hmm. เขาจะมีความรู้สึกมีเหตุผลอ้างความถูกต้องของตัวเอง จะทำอะไรฉานก็ถูกสมอเพราะฉันมีเหตุผลรองรับแล้วคนที่มีการสารเนี่ยมันก็จะใช้เหตุผลเนี่ยเพื่อเพื่อดูยังความถูกต้องของตัวและไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเมือสุดท้ายนิสัยนี้ก็กลายเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะว่าทําให้ไม่มีการปรบปรุมนั่นจะหมายถึว่าอันนี้ก็พูดไวเ้เผื่อเผื่อ ว, ว, ว่าเพราตัวเราบังเอเิญมีนามสกุลจะเป็นอย่างนั้นนะก็ลองลองพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะไม่ไม่สักวันหนึงเนี่ยลูกเราเมื่อโตขึ้นเขาจะรู้สึกอ่าจะรู้สึ ก, สกเป็นทุกข์น ะ, ะที่ที่เราเนี่ยมีดีสซยแบบนั้นอันนี้กูดตรงไปตรงมาเพราะว่าอาตมาเนี่ยหลังจากที่ได้ยินในฟังปัญหาของลูกมาเยอะเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อ่า เป็นเรื่องที่มันจะกลายเป็นเทรนด์แล้วนะเป็นเทรนของสังคมแต่ว่าเดี๋ยวงไม่อ้องไปถึงขั้นนั้นเอาว่าตอนนี้เนี่ยนะถึงแม้เราจะยังไม่ไม่ได้แก่ชะลาแต่ว่าถ้าว่าเราได้หันกลับมาดูใจของเราเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นและทําให้เรามีความสัมพนธิราบรื่นกับกับคนในครอบครัว จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยนะถ้าเรามองดีๆนะลูกนี่นแหละเป็นภาพสะท้อนของตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวมีแม่คนหนึ่งนะลูกอายุสิบขวบเป็นผู้ชายก็รู้สึกค่อนข้างจะหินห่างกันนะแล้ววันหนึ่งพบว่าลูกเนี่ยนะมีปัญหาในโรงเรียนก็คือ ถูกแกล้งถูกอัดถูกพวกนักเรียนรุ่นโตเนี่ยแกล้งแล้วลูกเนี่ยมีความทุกข์มากแม่ไปโรงเรียนเลยลูกเนี่ยถ้าจะเครียดจมแทบ จ, าาจะจะอ้วกเลยนะเวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยเธอเสียใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเธอเสียใจที่ลูกเนี่ยทำไมไม่เล่าให้แม่ฟังมันแสดงว่าอะไรมาแสดงถึงความห่างเหินระหว่าง ลูกกับแม่เธอก็เสียใจนะว่าทําไมลูกเนี่ยหานเพือนห่างกับแม่แล้ววันนึงเนี่ยเธอก็ได้ไปคุยกับไอ้เรื่องนี่เธอได้ยินจากจากปากของแม่ของของเพื่อนซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนอเด็กคนนี้นะก็เลยรู้ความจริงว่าลูกมีความทุกข์อย่างไรบ้างแล้วเธอก็ทุกข์แล้ววันนึงเธอก็เลยวันนึงเธอก็ได้มีโอกาสคุยกับ ผู้ปกครองนะโรงเรียนเดียวกันพูดไปพูดไปคุยไปคุยมาเขาก็พูดประโยคในที่ทําให้เธอได้คิดถึงชื่อของเธอในวัยเด็กว่าตอนที่เธอเป็นเด็กสาเนี่ยยังวัยรุ่นเนี่ยมันมีบางช่วงที่ ค, คล้ายๆกับรูกของเธอก็คือว่าเธอห่างกับพ่อเธอมีปัญหาอะไรเธอไม่คุยไม่ไม่บอกพ่อเลยทำไม พพ่อเนี่ยชอบว่าชอบพ่อไม่เคยฟังเธอเลยมีอะไรเนี่ยพ่อก็ว่าด่าเธอไม่ชอบนิสัยของพ่อนี่เลยแต่ทำให้เธอไม่อยากอยู่ใกล้พ่อมีอะไรไม่เคยคุยให้พ่อฟังเพราะกลัวถูกด่าพอเธอมาย้อนหรืองเก่าเธอก็นึกได้พฤติการของเรา ตอนเป็นสาวตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่ต่างกับลูกชายมาตอนนี้เลยแล้วเธอก็นึกไปอีกชั้นหนึ่งว่า้พฤติกรรมของพ่อเนี่ยที่ทํากับเธอนะ่ดูดูไปก็ไม่ต่างจาที่เธอทำกับลูกเลยเนียลูกเนี่ยเหินห่างจากเธอมีอะไรไม่มาปรึกษาเธอเพราะเธอเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างพ่อของเธอก็คือว่าว่าว่าไม่เคยได้ฟัง มันแปลกนะเธอไม่ชอบนิสัยของพ่อนะแต่เธอซึมซับเอานิสัยของพ่อมาเป็นที่อันนี้แปลกนะคนเราเนี่ยไม่ชอบนิสัยบางอย่างของปุปกาลีนะแต่ว่ามักจะซึมซับมายกอย่างเช่นไม่ชอบพ่อนะที่ชอบทำร้ายแม่ไม่ชอบพ่อที่ทําร้ายแม่นะตบตีแม่เกียดพ่อมากเลยแต่เวลาตัวมีเมียนะก็ตกเหมืนอนกันมันซึมซับมานะ ลูกเนี่ยมันซึมซับพ่อซึมซับจากแม่หรือที่ไม่รู้ตัวที่ไม่ได้รักพ่อรักแม่หรือไม่ได้นำนิสัยแบบนั้นแต่มานซึมซับมาปีนิ้เรื่องของการงานแก่ซึมซับเอานิสัยของพ่อมานิสัยที่ใช้อันหน้าต่อว่าไม่ฟังลูกก็มาใช้กับลูกชาแล้วลูกชาก็เลยกระทำกับเธอมันก็ที่เธอทำกับเธอทำกับพ่อดูมาเป็นเรื่องก่ฎแห่งกรรมนะใช่ไหม ทำกับพ่ออย่างไงลูกก็ทํากับเราอย่างนั้นแต่ที่เดียมันไม่ใช่เรื่องกฎแห่งกรรมแบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุไม่มีคนนะมันมีเหตุมีผลก็คือว่าไปซึมซับเอานิสัยของพ่อมามาทำกับลูกลูกก็เลยทํากับเราเหมกอนที่เราทํากับพ่อใช่ไหมเพอเธอที่เธอเห็นที่เธอได้คิดเลยนะมันทำให้เธอเริ่มเปลี่ยนนิสยัยเริ่มที่จะมาให้เวลากับลูกมากขึ้นฟังลูกมากขึ้น แทนที่จะเธอจะโทษลูกว่าลูกทำไเป็นอย่างนี้เธอกลับมาเปรตที่ตัวเองเพราะสิ่งที่ลูกทําเนี่ยสิ่งที่ลูกเป็นเนี่ยเธอได้มองว่ามันเฉพาะในเธอเห็นตัวเองให้มาว่าลองเนี่ยถ้าใครมีปัญหากับลูกนะแตมาว่าลองลองดูเสียว่าลองแคลนกวดสักหน่อยด้วความจริงใจนะอย่างมีสตินะว่าไอ้ที่ลูกเป็นเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราลูกเรา อาตมามันต้องบอกมากเลยแล้วันคือมันเป็นมันเป็นการบอกแบบกระจกเลยจะเป็นการบอกแบบกระจกเลยนะคือมาสะท้อนเห็นตัวเราเองจากรูปของเราเราเป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเห็นอะไรในลูกเนี่ยมันก็แปลว่าเราก็เป็นนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราเชื่อเรามีแต่ความปรารถนาดีสิ่งที่ทำให้สิ่งที่อันเนี้ยกับดักของพ่อแม่นะ ที่น่ากลัวคือความปรารถนาดีเรารักลูกเราปรารถนาดีลูกเพราะฉะ น, นี้บังคับลูกเต็มที่เลยเราส่วการบังคับลูกเนี่ยการบังคับลูกทําตามใจแล้วเนี่ยเป็นสิส่งถูกต้องเพราะอะไรเพราะหวังดีเพราะปรารถนาดีนะเมื่อช้าก็ได้ได้ไลายมานะจาับเพื่อนคนหนึ่งนะแกก็สี่สิบแล้วนะแกบอกพูดถึงความทุกข์จากพ่อแม่ พ, พ่อแม่เนี่ยเป็นคนเก่งความรูด้ดีแล้วก็แยายลขับูกทุกอย่างเพราะมั่นใจในความปรารถนาดีของตัวเองและเชื่อว่าตัวเองถูกลูกไม่เคยถูกเลยนะตัวเนี้ยลูกเนี้ยผิดตลอดตัวเนี้ยถูกตลอดเนาะจนทั้งลูกเนี้ยรสึดแย่กับตัวเอ้ไ ม, มีความมั่นใจแต่ดีหน้าที่พอไปแต่งงานสามีให้ เ, เป็นคนที่ใจกวา้างเธอก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมา กลับมามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ไม่เอานิสัยของพ่อแม่เนยมาใช้กับลูกของตัวเองแต่เธอก็มีปัญห า, านทมาฯก็เคยแนะนํ า, นาเธอนะบอกว่าพูดกับลูกให้น้อยพูดกับลูกให้น้อยลงคุยกับลูกให้มากขึ้นเข้าใจนะฮะพูดให้น้อยลงคุยให้มากขึ้นเพราะเธอเนี่ยพูดกับพูดอย่างเดียวเลยแต่เธอให้คุยเข้าใจไหมแม่เป็นอย่างนี้นะพ่อเป็นอย่างนี้นะ พูดมากแต่คุยน้อยนะครูก็เหมือนกันนะครูเนี่ยสอน ม, มากนะแต่ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้น้อยสิงคโปร์ตอนที่เขามีนโยบายชโลแกนนะ teach less learn more สอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้นครูนี่ให้แต่เอากับสอนแต่ไม่ค่อยให้เด็กได้เรียนรู้ได้ตัวเองพ่อแม่นก็พูดเยอะแต่คุยกับลูกน้อยน้าเคยแนะนำนะ mm hmm. เธอก็เก็ทนะว่าเออใช่แต่เธอก็เนี่ยเธอเมื่อช้าเธอมษษากุศลเนี่ย เป็นห่วงพ่อแม่พ่อแม่ตอนนี้เนี่ยอารมณ์ดุร้ายอารมณ์ไม่าอารมณ์ดุร้าอารมณ์กราดเกี้ยงเยอะนะไม่ปล่อยวางจะช่วยจะช่วยพ่อแม่ใหดีแต่ประเด็นของพ่อแม่ของรายนี้คือว่าไอ้สายส่วนหนึ่งของของขอ ง, ของพ่อแม่คู่เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีความหวังดีกับลูกแล้วก็เชื่อมันในความหวังดีเกินมาเพราะงั้นก็จะบงังคับลูกตลอดเวลา ทิศสายที่บังคับ บ, คบับงคับบังคับประคับนี่ยมันทาให้การเป็นคนที่กระดเกลียวหรือหมุดหมีได้ง่ายเพราะว่ามุ่งเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่มุ่งทําใจตัวเองนะคนที่คิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่คิดจะทําใจตัวเองนั้นก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็คือว่าจะเป็นคนที่อารมณ์เจ้าอารมณ์ได้ง่ายเพราะอะไรต่อนอะไรก็ไม่ถูกใจหมดแล้วก็ไม่คิดจะปรับใจตัวเองนะ เพราะฉัเนี่ยอย่างในกรณีความสัมพันธ์นะระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยสมาคิดว่าในการพยายามที่จ ะ, จะพยายามที่จะคุยให้มากขึ้นสื่อสารกันให้มากขึ้ น, นแล้วก็เรียนรู้จักกันเนี่ยมันจะมันจะช่วยได้นาซึ่งในสมาคิดว่าถ้าใช้อั น, นี้กับครอบครัวนะกับสามี กับคนรอบข้างนี่มันก็จะช่วยทำให้ความขัดแย้งเนี่ยทุเลาบาบางหนึ่งบางทีการที่เปิดโอกาสให้สื่อสารกับลูกมากขึ้นเนี่ยแทนที่จะสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกได้ด้วยมีแม่คนหนึ่งเนี่ย แกเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าลูกนี่นะตื่นสายลูกนี่ตื่นสายชักแกจะต้องทุกช้าจะต้องเรียกว่าเขี่ยเข็นาอาจจถึงขั้นบังคั บ, แ ล, บแล้วก็บ่อยครั้งก็ต้องดุด่าเพราะลูกไม่ยอมลุกเธอรู้สึกแย่นะที่ใช้ความดุแลงกับลูกดุด่าลูก แล้วหนึก็ไปเข้าคอร์สบิ๊กคอร์สที่ชื่อว่าะอะไรชีวิตนะเพื่อตะมาเป็นเป็นวิทยกากรแล้วคอร์สที่เดียงคือทําให้แต่ละคนใช้การมองว่าเธอเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนและเธอก็เห็นข้อบกพร่องเธอตรงนีนะ้คือการที่ใช้อารมณ์แบบลูปคอร์สที่มีโครงงานให้ทุกคนทําโครงงานอย่างหนึ่งโครงงานอะไรก็ได้เธอก็เลยทําโครงงานที่ชื่อว่า นับหนึ่งถึงร้อยก่อนด่าลูกก่อนด่าลูปนะไม่ใช่ก่อนก่อนตำหนิลูปนะโพรมันช่วยเธอได้เยอะเลยนะเวลาลูกไม่ตื่นเธอก็พยายามนับห น, นึ่งถึงร้อยแลต่อลังเธอก็ได้ได้แงกคิดออกมาได้แง่คิดอันหนึ่งคนเติมว่าแทนที่จะสั่งลูกทำอะไรให้เราบอกความรู้สึกของเรา แล้วเธอก็ลองทานะคราวที่ลองที่เธอกำลังเธอนัหนึ่งถ1 0รอยเนี่ยเธอก็พูดกับลูกว่าเนี่ยแม่ไม่สบายใจนะที่ลูกตื่นตื่นตื่นสายนะคอยทำให้ลูกไปโรงเรียนช้าและแม่ก็จะไปทำงานช้าด้วยนะแม่อยากจะให้ลูกเนี่ยตื่นเร็วเร็วตื่ น, ต, นตามเวลาเธอพูดเธอใช้เธอเปลี่ยนแทนที่บอกว่าให้ลูกทำอะไรเธอก็มา อธิบายว่าเธอรู้สึกอย่างไรนะกับการที่ลูกไม่ตื่นกับการที่ลูกตื่นช้านะบอกความรู้สึกแล้วก็บอกความบอกวาถึงประสงค์เค้าก็ทีลน้อยเีลน้อ ย, ล, อยลูกเนี่ยเริ่มกลับมาทาตามที่แม่อยากจะเห็นก็คือตื่นเช้าไปเรียนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกเลยนะจากการที่เพียงแค่เปลี่ยนท่าที จากการบังคับจากการสั่งไปถึงการดา่าไปเป็นการพูดถึงความรู้สึกของแม่ว่าแม่ทุกใจอย่างไรถ้าลูกไม่ตื่นเลือดร้อนอย่างไรถ้าลูกตื่นสายท้ายสุดลูกก็กลับมากลายเป็นคนที่ตื่นตรงเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ก็ดีขึ้น วันเธอเลาเธอประทับใจวันนี้เธอไปรับรูปที่โรงเรียนนะลูกก็บองแม่ขายรูปด้วยกันหน่อยให้ลูปให้เพื่อนที่เคยขายรูปให้ก็บอกตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ลูกไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะว่ามาถายรูปด้วยกันพูดมันแสดงว่าอะไรแสความใกล้ชิดแล้วเธอรู้สึกเอออ่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่บางทีไอ้การที่ลูกเป็นอย่างการที่ลูกดื้อได้าเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะ วิธีการของแม่ด้วยเพราะลูกก็ต้องการเอาชนะแม่แม่ดา่าแม่บังคับลูกก็ต้องต่อต้านแม่ยิ่งดา่าลูกก็ต้องสู้แต่พอแม่ใช้ท่าทีที่อ่อนโยนพูดถึงความรู้สึกของตัวลูกก็ยอมเห็นใจแม่อะไรก็พอสมควรแล้วใช่ครับวันนี้มีครูครวัวรู้บาน มาด้วยครับอาจารย์ให้โอวาทถูกเสนอแนะนะครับเรื่อแงแรงแรงดันการไปเรียนสูงอ๋อที่คุยที่ก็โอว า, อาทมันเยอะแล้วนะฟังคุยให้มากขึ้นคุยให้น้อยลงกับมามองใจนะคิดว่าน่นาจะพอนะ เป็นลูกเนะี่ยเขาก็ค้นพบว่าการเรียนรู้แบบแบบที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันทําให้มีความเป็นอิสระมากกว่าที่ระบบการศึกษาที่ไทยแล้วทําให้เขารู้จักตัวตนเขาก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับอโรงเรียนที่ของเป็นของคุณแม่เขาก็รู้สึกรักในระบบการศึกษาแบบนี้ทีนี้ก็เลยอยากจะก็บอกเขาว่างั้นก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกันแล้วถามว่า ลูกคว่าลูกมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะสมที่จะไปเอาเงินของต่างชาติมาเลี้ยงดูลูกนู่นหนึ่ ง, งที่สิ่งที่ถามเขากลับไปก็ใจนึงก็รู้สึกว่าเราไปกดดันลูกมากเกินไปเหมือนกับถ้าลูกไม่ได้ทุนลูกก็คงไม่ได้เรียนเนาะเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้มีเงินที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นมากถึงขนาดกลัวว่าเดี๋ยวพอระยะยาวแล้วเราไม่ไม่มีเงินที่จะส่งเขา คนก็เตือนว่าอย่าไปพูบแบบนั้นเพราะจะทําให้ลูกโกรธดันแต่แต่ความรู้สึกของแม่คือลูกควรจะรู้สภาวะที่แท้จริงของพ่อคืออยากให้อาจารย์ช่วยแนะนาําหรือว่าให้สติในเรื่องว่าตกลงความเป็นแม่แบบนี้มันไปในทิศทางที่ถูกหรือเปล่าหรือว่าการเล่นลูกแบบนี้จะทําให้ส่งผลอะไรกับลูกลูกอายุ ก, กี่ขวบคะตอนนี้ลูกอายุสิบสี่ย่างสิบห้าครัอต่มาว่าถามได้ไง ก็คิด่ว่าเขาลองคิดดูคือมันก็เป็นคําถามที่ควจะถามหรือแม้ไอ้ยัถามตั้งแต่คําถามพื้นฐานเลยว่าคิดว่าการเรียนที่นั่นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรทำไมถึงคิดว่าเรียนที่นั่นมันดีกว่าเรียนที่เมืองไทยนะหรือถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรพีั๊บพอดีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกตัวรูปแบบมาก่อนเองก่อนที่เราจะถาม เขาบอกว่าเขาคนชอบเรยนบางอย่างแล้วเขาอยากเรียนที่นั่นเพราะอะอร ม, มันเลยเป็นประเด็นว่านั่นหมายถึงอะไรเขาบอกเขาจะขอทืนเดินแล้วคำถามจะถามเพราะว่าเขาเราลูกคิดว่าลูกมีคุณสมบัติอะไรที่จะเดินไปขอคุนเขาหรือจะให้แม่เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันยากมากสําหรับแม่เนี่ยเพื่อให้ลูกได้ทืนตรงนั้นก็เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินของ แม่หรือไม่ใช่เงินของประเทศเราที่อยู่ๆจะไปเอาเงินของชาติอื่นมาเลี้ยงดูแล้วเอามาเพื่อเอกชนคนหนึงหรือทุณเป็นแค่คนคนหนึ่งของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ยุคิด เ, อเดยอะๆอ่ะอัตมาถามได้จริงๆมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นให้เ้ามองว่ามันไม่ใช่เป็นเงินของประเทศใดมันเป็นเงินมาเป็นสมบัติของของมนุษย์เสียชานะอัตมาว่านะ แ, แม้เขาจะไม่ได้ทุนเลยเนี่ย การที่เขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะเขาก็เป็นหนี้บุญคุณไม่ใช่เฉพาะนิวซีแลนด์อย่างเดียวทท่านั้นก็เป็นหนี้บุญคุณเรียกว่าคนทั้งโลกอยู่แล้วใช่ไหมเด็ ย, ยเขาให้น่าจะให้เขามองแบบนั้นโพืว่าเ็าจะได้กลับมาทำาระโให้กับส่วนรวมด้วยนะให้มองกว้างกว่าทรัพยากรของนิวซีแลนด์ให้มองว่าเป็นทรัพยากรของโลกเลยทีเดีย การที่เราเ ป, เป็นเป็นห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะไปโตที่โน่นแล้วขาดการปลุกเสติทางด้านธรรมะที่ต่อเ น, นื่องอะไรอย่างนเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะกังวลก็ควรก็ก็ควรจะคํานึงแต่ว่าอย่า ก, กังวล <c oughs> คํานึงกับกังวลไม่เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ากังวลเนี่ยมันทําให้ทุกข์แต่ว่าคํานึงก็คือเราไม่ประมาทแล้วขณะเดีวยวกันก็ต้อง คิดว่าเออแล้วเราจะมีส่วนอะไรที่จะเสริมในสิ่งที่นิวซีแลนด์ไม่มีหรือว่าในสิ่งที่เขาหาไม่ได้จากสภาพแวดล้อมอย่างนั้นใช่ไหมแต่มาเชื่อว่าถ้าเขารู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผลนะแล้วก็ได้เห็นได้รู้จักตัวเองเนี่ยให้การที่เขาจะสามารถประคประคองตัวเองเนี่ยให้อยู่ไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่อยู่ได้ด้วยดี ที่นั่นี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็จะช่วยเคาหน่อยตรงที่เขากลับมาให้ก็กลับมาที่เมืองไทยก็ได้แล้วก็กลับมากระานตัวเขาเองว่ามันในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรที่นีวซีแลนด์ขาดหมส่วนดีๆนะหรือว่ามันมีอะไรที่เขาน่าจะได้เรียนรู้จากที่เมืองไทยซึ่งไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากนีวซีแลนด ใช่อันนี้ก็จะให้ใหเป็นโปรเจกต์ของเ้าว่าเนี่ตั้งคําถามใหญ่ๆให้เขาว่าในเมืองไทยมันมีอะไรที่เรียนไม่ได้ที่เียหาเรียนไม่ได้เป็นศิลป์หรือในสภาวะรอบของเขาที่มีศแลป์แล้วก็มันมีอะไรที่มันจะช่วยเติมเป็นในสิ่งที่เขาไม่มีไม่ได้จากมีจินัลแลนซึ่งถ้าเขาคิดเขาต้องเห็นนะว่าเมือมันมีบางส่วนที่มันขาดหายไปนะ แต่จะเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาะแต่จะเป็นเรื่องของอาการได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในจิตใจก็ได้พออัพเกรดจนแล้วพอจะเทียบกันในระดับวิถีทางหรือวิสัยทัศน์ก็ถึงขั้ครับ